ที่ชื่อว่าสหชีวินีรัตหมายถึงสัตว์ทวิหารีนีคําว่าไม่ดูแลช่วยเหลือคือไม่ดูแลช่วยเหลือด้วยตนเองคําว่าไม่ใส่ใจมอบหมายให้ผู้อื่นดูแลช่วยเหลือ ain, คือไม่สั่งผู้อื่นภิกษุณีทอดทุกขว่าวจะไ ม, ม่ ด, ดูแลช่วยเหลือจะไม่ใส่ uni, ใจมอบหมายให้ผู้อื่นดูแลช่วยเหลือต้องอบัติปาจิตตีภิกษุณีไม่ดูแลช่วยเหลือไม่ใส่ใจมอบหมายให้ผู้อื่นดูแลช่วยเหลือ อันเทวาศินีหรืออนุปสัมบันธต้องอวบทุกกฎ